ไปนู่นเลยสติคือที่พึงที่ระลึกแต่พอเรามาใช้คำว่าสติในความหมายของติปัจจัยก็แปลว่าที่พึงที่ะลึกแต่ว่ามันแปลรูปตามทา่าทีนี้เราก็เอาว่าสติที่เป็นณปัจจุบันท่านใช้คําว่าถิละสัญญามันเป็นสัญญาตัวหนึ่งต่อจากเวทนารูปเวทนาสัญญาใช่ไหมถ้านั้นตัวเปลี่ยนเวทนาเนี่ยให้เป็นสัญญา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 นามคือความรู้สึกที่เราต้องหยิบเอามาใช้คือสติสัมมาจัญญาเป็น น, นามนะความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแขง็งตึงร่างกายเนี่ยมันเป็นนามมารูปและตัวทาสี่คือมืออาการสิบสองเป็นรูปรุนล้วนอาการที่เกิดจากรูปคือเย็ยนร้อนอ่อนแขง็ขงเคร่งตึงเนี่ยมันเป็นเวทนาเป็นนามมารูปชนิดหนึ่งและเราเข้าไปตามอาตามรู้อาการของนามมารูปคือเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนี้ชัดๆความรู้ชัดๆนั้นมันเป็นนามล้วนๆเรียกว่าสติสัมมาัญญา